ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยนาสังหะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลข้อที่ยี่สิบแปดจตุ ป, ปัจจยะภาชนิยวินิชยกถากถ า, าวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการแจกแบ่งปัจจสี่ต่อ พัดแม้เหล่าอื่นอีกสี่อย่างที่นาวิสาขาขอประธานพรถวายในจีวรคันธกะคืออาคันธุกะพัดคำนิกรพัดขีฬานพัดขีฬานุปัตถากพัดอาคันตุกะพัดก็คือพัดเพื่อพิกษุผู้ที่เป็นอาคันตุกะมาใหม่ก็ยังไม่รู้จักหนทางที่ฉะนั้นก็ไปฉันที่เรือนของนาวิสาขาก่อนได้คำนิกรพัดก็หมายถึงพัดของพิกษุผู้เตรียมจะเดินทางไปที่อื่นถ้ามัวจะ เตรียมตัวไปบินธบาติไปแสวงหาอาหารสัว ก, กับาธาตการเดินทางไปกับพวกเวียนต่างๆได้นายสาขาขอพรอให้ไปชั้นคมิพพัทสําหรับทิศถุกผู้เตรียมตัวจะเดินทางที่กระดานหนางได้แล้วก็คีราณภพสําหรับทิศถูกผู้ป่วยไข้คีรานุปัฏฐาภพัทธสำหรับทิศถูกผู้ดูแลผู้ป่วยไขย้จะได้ไม่ต้องไปเที่ยวแถลงหารที่อื่นก็มาแล้วในบาลีเหมือนกันบรรดาพัท์ทั้งสี่นั้น พัดที่ถวายแก่ภิกษุผู้เป็นอาคันตุกะชื่อว่าอาคันตุกะพัดในพัดสามอย่างที่เหลือต้องมีนายเช่นเดียวกันนี้ก็ถ้าว่าในพัดทั้งสี่อย่างนี้ทั้งอาคันตุกะพัดทั้งอาคันตุกะภิกษุมีมากพึงให้ภิกษุทั้งปวงถือเอารูปละส่วนรูปละส่วนเมื่อพัดไม่พอพึงให้รัดตามลำดับภิกษุอาคันตุกะรูปหนึ่งมาก่อนทีเดียวให้ถือเอาอาคันตุกะพัดทั้งหมดเพื่อตนแล้วนั่งอยู่ อาคันตุกะพัตทั้งปวงย่อมเป็นของเธอเท่านั้นที่สุอาคันตุกะทั้งหลายผู้มาทีหลังพึงฉันที่เธอให้แล้วแม้เธอก็พึงถือเอาเพื่อตอนส่วนหนึ่งแล้วพึงให้ส่วนที่เหลือนี้เป็นความชอบยิ่งแบ่งปันสาหรับสะโทมจารีผู้ประพฤติทำร่วมกันก็ต้องไม่เป็นผู้ตรหนีทีเหนียวแต่ถ้าว่าที่สุอาคันตุกะนั้นแม้มาก่อนแต่ไม่ถือเอาเพื่อตอนนั่งเฉยอยู่ ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายผู้มาทีหลังพึงถือเอาตามลำดับพร้อมกับเธอถ้าว่าภิกษุอาคันตุกะมาเป็นนิดพึงฉันอาคันตุกะพัดเฉพาะในวันที่มาเท่านั้นหากว่ามาในระหว่างระหว่างพึงฉันรูปละสองสามวันส่วนในมหาปัญจรรีแก่ว่าควรฉันได้เจ็ดวันภิกษุผู้เจ้าถิ่นไปไหนไหนมาก็าดีแม้เธอก็พึงฉันอาคันตุกะพัดได้ ไปจากที่อื่นมากลับมาก็มาฉันอาคันตุกาาพัดนี้ได้เหมือนกันอันหนึ่งถ้าว่าอาคารตุกาาพัดนั้นเป็นของที่เขาให้เนื่องในวัดต้องให้ถือเอาในวัดถ้าเกิดเขาถวายในวัดนี่ก็ต้องถืออาเฉพาะผู้อยู่ในวัดเท่านั้นถ้าวัดอยู่ไกลเขาจึงให้เนื่องในโรงฉันต้องให้ถือเอาในโรงฉันนั้นก็ถ้าว่าทายกจึงสั่งว่า เมื่อไม่มีพิกสุอักันตุกะแม้พิสุเจ้าถิ่นก็ฉันได้ดังนี้สมควรที่พิกสุผู้เจ้าถิ่นจะฉันเมื่อเขาไม่ต่างก็ไม่ควรฉันพัสําหรับของพิสุอคกันตุกะเท่านั้นนั้นพิสุเจ้าถิ่นก็ไม่ควรจะมาฉันนอกจากทายกเขาบอกไว้ว่าฉันได้ก็สมควรจะฉันกระธามัชแม้ในคำมิกรพัดนี้ก็เหมือนกันกระธามัชก็หมายถึงว่าทางแห่งช่วยคํา พิจกรณาในเรื่องคามิกรพัทของนิตุผู้เตรียมตัวจะเดินทางไปที่อื่น Just <Ask> นี่ก็เหมือนกันส่วนเนื้อความที่แปลกดังนี้อาคันตุกะทิกตุย่อมได้แต่อาคันตุกะ พ, พัทเท่านั้นก็คือทิสตุผู้จรมาเนี่ยหมายถึงมาจากที่อื่นก็จะพึงรับได้แต่อาคันตุกะพัทเท่านั้นคำิกกับทิกตุย่อมได้ทั้งอาคันตุกะพัททั้งค<ม>ามิกรพัทถ้าเตรียมตัวจะเดินทางนี้ฉันกามิกรพัทก็ได้ฉันอาคัน <mieux. S 2> ตุกะพัตก็ได้ แม้พิจุผู้เจ้าทินผู้จำนงจะดีไปย่อมกลายเป็นคำนิกรพิจุเหมือนกันเป็นเจ้าทินอยู่แต่ว่าจะไปจาริกสู่ที่อื่นและก็กลายเป็นคำนิกรพิจุไปผู้เตรียมจะเดินทางย่อมได้คำนิกรพัดเหมือนอย่างว่าอาคันตุกะพัดอันอาคันตุกะพิจุย่อมได้ฉันใดคำนิกรพัดนี้อันคำนิกรพิจุย่อมได้ทั้งสองสามวันหรือว่าเจ็ดวันฉันนั้นหาไม่ได้พิจุผู้ฉันด้วยตั้งใจว่าเราจะไป ตลอดวันนั้นไปไม่ได้เพราะกระนิยยะอะไรอะไรก็ตามแม้ในวันรุ่งขึ้นจะฉันก็ควรเพราะว่ายังมีอุตสาหะที่จะไปเมื่อพิสุตั้งใจว่าจะไปฉันเสร็จแล้วพวกโจรดักทางเสียกว่าดีน้ําหลากมากว่าดีฝนตกกวดีมูกเกวียนยังไม่ไปกว่าดีเธอผู้ยังมีอุตสาหะถึงฉันตราบใดที่ยังคิดจะไปอยู่นะจะมีอุปสรรคก็ยังฉันคมิกระพัดนั่นได้มหาปัญจลีแก้ว่าอันพิสุ ผู้รอดูอุปัตตวะเหล่านั้นอยู่จะฉันสองสามวันก็ควรแต่ที่ตุผู้อ้างเล่ห์ว่าจะไปจะไปย่อมไม่ได้เพื่อฉันอันนี้ก็รู้อยู่กระใจแล้วว่าจะไปหรือไม่ไปถ้าอ้างว่าจะไปจะไปแต่ว่ามาฉันอยู่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจไปอันนี้มีโทษต่อตนเองด้วยแม้ที่หลานพัชเล่าถ้ามีพอแก่ที่ตุผู้อาพาธทั่วไปก็พึงให้ให้ทั่วกัน หากว่าไม่พอก็พึงจัดลําดับให้ถือเอาพิกสุอาภากรูปหนึ่งท่วงทีเหมือนไม่มีโรคยังอาจไปภายในบ้านได้รูปหนึ่งไม่อาจรูปนี้ชื่อว่าผู้อาภาษณนักพึงให้เชิดนภัสแก่เธอแท้ให้พิกษุผู้ป่วยหนักมากกว่าพิกษุผู้อาภาษ์หนักสองรูปรูปหนึ่งรวยราบเป็นผู้มีชื่อเสียงได้ฐานชนิยะและโพชนิยะมากรูปหนึ่งอนาถาต้องเข้าไปภายในบ้าน ก็มีลาบอัตคัดจึงให้กิฬานาพัทแก่รูปหลังนั้นก็คือผู้ที่มีลาบน้อยเนี่ยนะอัตคัดเนี่ยให้แกเธอในกิฬานาพัทไม่มีกําหนดวันพิกสุผู้อ า, าพาธพึงฉันตลอดเวลาที่โรคยังไม่สงบเมื่อไม่ฉันโภชนาที่สปายะจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แต่ในการใดเมื่อพิกสุผู้อาพาทนั้นแม้ฉันยาคูทียระคนหรือพัทเทียระคนโรคก็ไม่กําเริบตั้งแต่การนั้นไปไม่พึงฉันทิฬานาพัท เฉพาะป่วยหนักไม่สามารถฉันอาหารปกติธรรมดาหรืออาหารที่รคนกันได้ก็าามาฉันทิ่ลานพัฒนี้แต่ถ้าสามารถฉันอาหารที่ระคนกันได้แล้วโรคไม่กําเริบก็ไปฉันอาหารนั่นแหละไม่ต้องมาฉันที่ลานพัฒเอาไว้ให้ผู้ป่วยเขาฉันขีลานุปัฏฐากับพัฒน์สำหรับพิสูจสผู้ดูแลคนไข้เล่าก็พอแก่พิสูจผู้พยาบาลไข้ทั่วถึงกันพึงให้ให้ทั่วถึงกันหากว่าไม่พอพึงจัดลำดับให้ถือเอาแม้ขีลานุปัฏฐากับพัฒนี้ ก็พึงให้แก่พิจูผู้พยาบาลพิกจุอาพาธหนักในบรรดาพิกจูผู้อาพาธหนักสองรูปบรรดาพ like ิกจุผู้อาพาธหนักสองรูปแม้ขีฬานุปัฏฐานกัพธ์นี้ก็ควรให้แก่พิจูผู้พยาบาลไข้ผู้อนาถากระกูลใดย่อมถวายกีฬานพัตและขีฬานุปัฏฐานกัพั์ขีฬานพัตในะกุลนั้นถึงแก่พิกจุผู้อาพาธรูปใดแม้พิกจูผู้พยาบาลพิกจูที่อาพาธรูปนั้นก็พึงให้ถือเอาในะกุลนั้นแล แม้ในทีลานุปัถาสพัดก็ไม่มีกำหนดวันที่สุผู้อาพาธยังได้อยู่เพียงใดแม้ผู้พยาบาลของเธอก็ย่อมได้เพียงนั้นเพราะเหตุนั้นพัดสี่อย่างนี้ถ้าเป็นขอที่เขาถวายอย่างนี้ว่าที่สุอาคารตุกะที่สุผู้เตรียมตัวไปที่สุผู้อาพาธและที่สุผู้พยาบาลที่สุผู้อาพาธจงรับทิกษาของข้าพเจ้าย่อมควรแม้แก่ที่สุผู้ถือเป็นท้าปาติกาธุดงก่ถ้าเป็นขอที่เขาถวายอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าจัดพัดไว้ให้เป็นประจำผู้อาภิกษุสีทจังพวกมีอาการจุกระเป็นต้นทิกสุอาคันจุกาเป็นต้นจงรับพัดของข้าพเจ้าไม่ควรแก่ภิสุผู้ถือปินตปาติกะทุดงนะเพราะว่าเขาจํากัดเฉพาะภิกสุสี่จังพวกนั้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเขาถวายบอกว่าภิกสุอาคันจุกาะภิสุเตรียมตัวจะไปภิสุอาพาณและภิสุพูดบางภิสุอาพาณนี้จงรับทิศาของข้าพเจ้าอย่างนี้ก็ควรบอกว่าให้รับทิศา ขึ้นอยู่กับคําดียนั้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นคําว่ารับปิกษานี่ปิสุปินตะปาติกะทุดงนี่รับได้แต่ว่าถ้าบอกว่าข้าวเจ้าจัดพัดไว้ให้เป็นประจําเพื่อปิสุสีนําพวกเนี่ยคันตุกะเป็นต้นนี่ให้รับพัดนี้ปินตปาติกะทุดงนี่รับไม่ได้ไม่ควรจัดปิสุปินตปาติกะทุดงต่อไปพัดอื่นอีกสารชนิดเหล่านี้คือทุวพัด ปุตพัทวารกะพัทในพัทธสามชนิดนั้นนิยตพัทท่านเรียกว่าธุรพัทธหมายถึงพัทธประจำธุรพัทนั้นจะมีสองอย่างคือของสง์อย่างหนึ่งแล้วก็ของเฉพาะบุคคลอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นธุรพัทธใดอันทายกถวายให้เป็นประจำว่าพวกข้าพเจ้าถวายธุรพัทแก่สงดังนี้ธุรพัทนั้นมีกติอย่างสลาตพัตธเหมือนกันก็แล้ธุรพัทนั้นอันทายกบอกถวายว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงรับพิกษาประจำของข้าพเจ้าดังนี้ย่อมควรแม้แก่พิจุทั้งหลายผู้ถือปินตปาจิกัดทุดงเพราะว่าถวายว่าให้รับพิกษานะแต่รับพิกษานี้มีป็นรายทรัพั์นี่แปลว่าเข้าทุขอันนี้ไม่ได้ปินตปาจิกัดทุดงนี้จะไม่รับแม้ครั้นเมื่อทุระพัดเป็นของเฉพาะบุคคลอันทายกกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายทุระพัตแก่ท่านทั้งหลายดังนี้ ทุรพัันไม่ควรแก่พิสุททั้หายผู้ถือปินตปาติกะทุดงเท่านั้นเพราะว่ากล่าวว่าทุระพัดใช้คำว่าพัดก็คือกรสุกแต่ได้บอกว่ารับทิกษานี้ไม่เป็นไรกลับได้ทุรพันั้นไม่ควรแก่พิสุผู้ถือปินตปาติกะทุดงแต่เมื่อเขากล่าวว่าทั้งหลายควรับทิกษาประจํำของข้าพเจ้าดังนี้ควรอยู่พิกสุทผู้ถือปินปาติกะทุดงพึงยินดี แม้ถ้าว่าภายหลังเมื่อล่วงไปแล้วสองสาวันเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงรับธุระพัดพัดนั้นควรแก่พิจุผู้ถือปินณฑบาจิกาทุดงเพราะเป็นของที่เธอรับไว้ดีแล้วในวันแรกวันแรกกล่าวว่ารับพิสาแล้วอ่ะแล้วก็ไปรับพิษาแม้ว่าเขาจะกล่าวธุระพัดในภายหลังก็ไม่เป็นไรนะที่ชื่อว่ากุติพัดคือพัดที่ทายกให้ซาที่อยู่ถวายตรงแล้วถวายให้เป็นประจำอย่างนี้ว่า ท่านภูมิอยุธทั้งหลายผู้อยู่ในเสนาสนะของพวกขเจ้าจงรับพัดของพวกขเจ้าเถานั้นดังนี้กุติพัดนั้นมีคติอย่างสลักพัดเหมือนกันพึงให้ทพิสุดธทั้งหลายรับมาฉันก็เมื่อชายกกล่าวว่าท่านภูมิอายุธทั้งหลายผู้อยู่ในเสนาสนะของพวกขเจ้าจงรับทิษาของพวกขเจ้าเถานั้นดังนี้กุติพัดนั้นย่อมควรแม้แก่ที่สุทธทั้งหลายผู้ถือปินละปาติจตุดง ส่วนกุติภัดใดอันทายกเรื่องใสในบุคคลแล้วก็สร้างที่อยู่เพื่อบุคคลนั้นถวายว่าตัวข้าพเจ้าถวายแก่ท่านดังนี้กุติพัดนั้นจอเป็นของบุคคลนั้นเท่านั้นครั้นเมื่อบุคคลนั้นไปในที่ไหนไหนเสียพวกนิสิตถึงฉันแทนได้ลุกติดก็เอาไปชันได้เพราก็ถวายแก่อาจารย์ที่เป็นบุคคลที่ชื่อว่าวาร ะ, ะพัดคือพระที่ทายกถวายจำเดิมแต่เรือนใกล้ไปว่าพวกข้าพเจ้า จะเปลี่ยนวาระการบำรุงพิสุททั้งหลายในสมัยที่พิกษาหายาแม้วาระกะพัทนั้นที่ทายกถวายออกชื่อพิกษาก็ควรแก่พิสุทธทั้งหลายผู้ถือปินตะปาติกะทุดงแม้เมื่อทายกกล่าววา่าถวายวาระกะพัทดังนี้วาระกะพัทนั้นมีคติอย่างสละกะักกพัทก็ทว่าพวกทายกส่งข้าวสารเป็นต้นไปให้ว่าสามเณรทั้งหลายจงหุงข้าวต้มถวายดังนี้ พัดนั้นควรแก่พิจุผู้ถือปินณฑ บ, บาติกะทุดงและส่งข้อสารไปให้สำเนินหุงต้ม อ, อันนี้ก็สมควรพิจุถือปินณฑ บ, บาติกะทุดงว่าทันได้พัดเหล่านี้สามกับพัดอีกสี่มีอาคันทุกะพัดเป็นต้นรวมเป็นเจ็ดพัดเจ็ดอย่างนั้นรวมกับพัดอีกเจ็ดมีสังคพัดเป็นต้นจึงเป็นพัดสิบสอย่างด้วยประการชนี้อันหนึ่งในอัตถกถากล่าวพัด ตีอย่างแม้อื่นอีกก็คือวิหารพัฒพัฒประจําวิหารอัถกะพัฒนพัฒนเป็นที่แปดเจตุกพัฒพัดเป็นที่สี่แล้วก็คุระกะพัฒนในสี่อย่างนั้นที่ชื่อว่าวิหารพัฒนจะแก่พัฒที่เกิดแต่การปนาของสงในวัดนั้นพัฒนนั้นสงเคราะห์ด้วยสังคพัฒนวิหารพัฒเนี่ยเกิดแต่การปนาหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ เพราะขององสงอ่ะเช่นที่ดินอะไรต่างมีคนมาใช้แล้วก็มีปัจเจตีมีอะไรมาถวายที่ของกรรมประนาสงรายได้ที่เกิดขึ้นของสงเพราะฉะนั้นก็สงเคราะหด้วยสังขปัตยานิหารพัฒนี้อันหนึ่งวิหารพัฒน์นั้นย่อมควรแม้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ถือปินิปาติกระทุดงในฐานะทั้งหลายเช่นนั้นเพราะเป็นภัฒที่พระกีนาตบผู้บรรลุปฏิสัมวิทาในจิตสามหาวิหารและจิตละบรรโพตเป็นต้น เคยรับแล้วอย่างที่เป็นพัดอันทิตุแม้ถือปิณฑิปาัิกะทุดงก็สามารถได้ส่วนพรทัยยกถวายอย่างนี้ว่าขับเจ้าถวายแก่ทิสุแปรูปขัาเจ้าถวายแก่ทิสุสีรูปดังนี้ชื่อว่าอัตถกพัทและชื่อว่าจตุกพัทอัตถกพัทและเจตุกพัทแม้นั้นที่ทายกถวายออกชื่อพิกษาควรแก่ทิสุผู้ถือปิณฑะปติกะทุดงพัททัยยกถวายบาดไว้ ด้วยขนมมีรสอร่อยยิ่งมีเครื่องปรุงมากแล้วถวายชื่อว่าคุลหกะพัตคุลหกะพัทัสามอย่างนี้มีคติอย่างสละกะพัทเหมือนกันแม้พัดอื่นอีกที่ชื่อว่าคุลหกะพัทก็ยังมีคือคนทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ก็ให้ทำการฟังธรรมเป็นการใหญ่และการบูชาในวิหารแล้วกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งสิ้นได้ ภิสูุสองสามร้อยจงรับภิาของพวกกษรเจ้าดังนี้แล้วก็ถวายน้ำอ้อยงบเพื่อซาดจำนวนพิกษุคูรหาหกะพัดนี้ย่อมควรแม้แต่ภิสษุทั้งหลายผู้ถือปินตะปาติกะทุดงกระถาว่าด้วยการแจกบินทะบาทจบแล้วส่วนขีลานะปัจจัยที่ควรแจกพึงซาดอย่างนี้บรรดาเพจัดมีเนยใสเป็นต้นพระราชาหรือราชามหามาด ตรงเนยใสร้อยหม่อกรดีพันม่อกรดีไปตูวัดก่อนพระพัตุเทศพึงตีระคังให้ให้เต็มภานชนะที่ถือมาจําเดิมแต่เถระอาดลงมาในใสน้นย่อมควรแม่แก่ที่สุดทั้งหลายผู้ถือปินและาติกะทุดงถ้าว่าพระมหาเถระทั้งหลายเป็นผู้มักล่าช้ามาภายหลังย่าพึ่งกล่าวกับท่านว่าท่านผุ้เจริญพระเจ้ า, ากําลังแจกแก่ที่สูงผู้มีรรษายี่สิทธ์ลดับของพวกท่านเลยไปเสร็จแล้ว พึงพักลำดับไว้ถวายแก่พระหมหาเถระเหล่านั้นแล้วจึงถวายตามลำดับในภายหลังทิศตุทั้งหลายได้ฟังข่าวว่าที่วัดโน้นมีเนยใสยเกิดขึ้นมากจึงพากันมาแม้จากวัดในระยะโยชดหนึ่งพึงให้ตั้งแต่สถานที่เธอทั้งหลายมาทันมาทันกันยืนอยู่เมื่อพวกนิสิตมีอันเตวาสิกเป็นต้นจะรับแทนทิศตุทั้งหลายผู้แม้มาไม่ทันแต่เข้าอุปจาระสีมามาแล้วดังนี้ก็ควรให้แท้ ผู้นิสิตเหล่านั้นกล่าวว่าท่านจงให้แก่อุปชาของขาา้าพเจ้าจงให้แก่อาจารย์ของขาา้าพเจ้าผู้อยู่ภายนอกอุปจารสศีมาดังนี้ไม่ถึงให้ถ้าว่าที่สุทั้งหลายเป็นผู้เนื่องเป็นอันเดียวกันกันกบที่สุผูเข้าสู่อุปจาราศีมาแล้วมีที่ประตูวัดของตนก็ดีที่ภายในแห่งวัดทีเดียวก็ดีสีมาชื่อขยายออกด้วยอำนาจของบริษัทเพราะฉะนั้นถึงให้ แม้เมื่อให้ส่วนแกสังฆานวกะเสร็จแล้วก็พึงให้แก่ที่สุดทั้งหลายผู้มาภายหลังเหมือนกันแต่ว่าเมื่อส่วนที่สองในยกขึ้น่สูเถระอาจแล้วส่วนที่หนึ่งย่อมไม่ถึงแก่ที่สุดทั้งหลายผู้มาที่หลังอีกพึงให้ตามลําดับทรรษาตั้งแต่ส่วนที่สองไปถ้ายกเข้าไปสู่อุจาราถีมาแล้วให้เนยใสในที่ใดที่หนึ่งเนยใสทั้งหมดพึงให้แจกกันในที่ประชุมเท่านั้นในวัดใดมีพิโสสิบรูป และหม่อเนยใสเป็นต้นอันทายกถวายติดหม้อเหมือนกันในวัดนั้นพึงแก่การรูปและหมอ้อในใสมีหม้อเดียวพิจุติรูปพึงแบ่งกันแล้วให้ถือเอาถาว่าพิกจุเหล่านั้นถือเอาว่าเนายไสทั้งหม้อตามที่ตั้งอยู่นั่นแหลย่อมถึงแก่พวกเราดังนี้ในใสนั้นเป็นกานถือเอาไม่ชอบถือไม่ถูกต้องย่อมเป็นของสงในที่ซึ่งตนไปนัไปแล้วทีเดียวแต่ว่าพิจุเอียงหมอ้อเทเนยไสยลงในภาชนะหน่อยนึงแล้วกล่าวว่า นี่ถึงแก่พระมาหาเถระที่เหลือถึงแก่พวกเราดังนี้แล้วกลับไปในสายนั้นลงในหม้อ น, นั่นเองถือเอาไปตามต้องการควรอยู่อันนี้ก็เป็นถึงวิธีแบ่งที่ถูกต้องมนนีการแบ่งก่อนส่วนที่หนึ่งถึงแก่ตาเถระส่วนที่เหลือถึงแก่พวกเราอันนี้เป็นการถือเอาถูกต้องแต่ถ้าบอกว่าทั้งหมดนั่าถึงแก่พวกเราอันนี้ยังแบ่งไม่ถูกต้องยังเป็นของสงอยู่นะ ถ้าว่าเนยเป็นแท่งแม้ขีดเป็นรอยถือเอาโดยคิดว่าส่วนอื่นจากรอยที่ขีดย่อมถึงแก่พระมหาเถระส่วนที่เหลือถึงแก่พวกเราดังนี้ย่อมเป็นอันถือเอาชอบในพิกจุและหม้อเนยใสแม้หย่อนหรือว่าเกินกว่ากำหนดดังกล่าวแล้วก็พึงให้แบ่งกันโดยอุบายนั้นและก็ถ้าว่าพิกจุมีอยู่รูปเดียวเนยใสก็มีอยู่หม้อเดียวพิจุนั้นจะตีระฆังแล้วถือเอาโดยคิดว่า นี้ถึงแก่เราดังนี้ก็ควรอยู่แม้จะให้ถึงแก่ตนทีละน้อยทีละน้อยอย่างนี้ว่านี้ส่วนที่หนึ่งถึงแก่เรานี้ส่วนที่สองถึงแก่เราดังนี้ก็ควรแม้ในเพสต์ที่เหลือมีเนยข้นเป็นต้นก็ในนี้แต่ว่ารอยขีดไม่คงอยู่ในน้ำมันงาเป็นต้นที่ใสใดน้ำมันงาเป็นต้นนั้นพึงให้ตัดแจกแฉะเพสต์มีขิงตดและพลิกเป็นต้นก็ดีสมนาบริขารมีบาและภาชนะที่เหลือ เป็นต้นก็ดีทั้งหมดพึงกำหนดให้ดีแล้วแจกตามในอันสมควรแก่คำอธิบายดังกล่าวแล้วนั่นแลก็ถาว่าด้วยการแจกคีลานะปัจจัยจบแล้ววันนี้ก็สมควรใจเวลาไห้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็อบรมไตรศิกขาโดยที่มีพระวินัยซึ่งเป็นส่วนของอาทิศีลศิขาเป็นปัจจัยเกื้อกูลเป็นบาปนฐาน แล้วก็อบรมอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมขอให้พ้นจากวัตทุกโดยทั่วกันในการไม่เลื่อนช้านี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ